เดียนีบ้านเมืองมันขยายเมืองมันโตขึ้นก่อนตอนหลวงพ่อมาอยู่ที่นี่แรกๆอยู่ในป่าสิ่งแวดล้อมมันดีกว่านี้กลางคืนก็เงียบมีแต่เสียงมแมลงเสียงนกเสียงอะไรองเี้เสียงสัตว์นานาชนิดในบ้านหลวงพ่อมีกระทั่งหมาน้ำเคได้ยินไมมหมาน้ำไม่ใช่แมวน้ำ ไม่ใช่หมาน้ำไม่ใช่ช้างน้ำเป็นหมาน้ำมาน้้ำแต่ก่อนนึกว่ามีอยู่แต่เมืองการถ้าทานรอดมีหมาน้ำที่นี่ก็มีมาทีแรกมันร้องเลยนะหมาตัวจริงเนี่ยหันกลับเลยตอนหลังมันร้องเนี่ยหมามันแยกได้ว่าหมาปลอมมันไม่สนใจ มันก็ออกลูกออกหลานเต้มเลยแต่นียมีเยอะันเป็นกบพวกหนึ่งนะเป็นกบอย่างหนึง่งชอบอยู่ตามน้ำเวลาร้องนะร้องมันมาหา่าบกบกเงี้ยพตัวหนึ่งร้องตัวอื่นก็จะต้องร้องประสานเสียงเพราะมากนะเป็นดนตรีธรรมชาตินี่พอ มาอยู่หลายปีเข้าเมืองมันขยายคนแถวนี้เยอะขึ้นกลางคืนเริ่มได้ยินเสียงคาราโอเกะชักจเจริญละนะเสียงแห่งความอับประมงคนเริ่มมาแล้วจากเสียงของธรรมชาติหมดไปเป็นธรรมดาโลกหลวงพ่อมาอยู่ที่นี่นะพวกเราก็มากันมากมาซื้อของมากอะไรมากนะใช้ใจ่าย เศรษฐกษิจแถวนี้ก็ดีขึ้นคนก็มามากขึ้นมากขึ้นก็เอาพวกไม่ได้ภาวนามาด้วยไม่ใช่ทุกคนภาวนาคืนกินเหล้าร้องเพลงยังกัะเพาะเนะนี่ยผงนึกว่าเพาะตายแล้วเ <c oughs> มื่อก็กลางคืนนะสบายสบายเงียบสงัดดาวเต็มฟ้าเลยแล้วหอมในวัดเนี่ยนะ ดอกไม้หอมเต็มไปหมดเลยกลางวันก็หอมกลางคืนก็หอมทีนี้กลิ่นหอมก็ยังอยู่นะแต่มันแพ้กลิ่นขี้ไก่ซะแล้วเป <c oughs> ็นเกิดมีโรงเลี้ยงไก่อะ่ะอยู่ตรงเนี้ยนั่งรถไปถ้าออกไปทางนี้นะผ่านหน้าวัดไปนะวิ่งไปตั้งนานเลยจะไปเจอโรงเลี้ยงไก่รถถนนมันอ้อมขูกเขาไป แค่ช่องนี้ทะลุช่องนี้ก็ถึงแล้มาปีแรกๆไม่เหม็นหรอกมันน้อยเขาคงเลี้ยงไก่แล้วเจริญรุ่งเรืองลงเลี้ยงไก่มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะสร้างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆผู้เลี้ยงไก่นั่งอุสาลนะผู้เลี้ยงไก่นี่ยมีกําไรจากขี้ไก่เนี่ยเรื่องที่เรานึ่ยไมถึงแล้วเวลาเขาจะเลี้ยงไก่เนี่ยเขต้องไปซื้อลูกลูกไก่มาจาก กลุ่มยักษ์ใหญ่ซื้ออาหารซื้อวัคซีนซื้อยาจากเจ้าใหญ่นี่แหละคุมมลเลยแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงเสร็จแล้วก็ไปส่งขายให้เจ้านี้เนี่ยปกติจะเป็นแบบนี้นะแทบทั้งระบบเลยที่ชาวบ้านเลี้ยงเนี่ยสู้เขาไม่ไหวเขาเลี้ยงเป็นอุตสาหกรรมเราเลี้ยงสิบตัวยี่สิบตัวต้นทุนสูงกว่าเขาสู้เขาไม่ได้ ก็ค่อยๆสลายไปกลายเป็นเจ้าใหญ่ผลิตแต่คนที่เอาไก่ไปขายนะก็ไม่ได้ราคาเท่าไหร่หรอกเขาคำนวณเขารู้นี่ต้นทุนเท่าไหร่ขายแล้วไม่ไม่เหลืออะไรเลยหักค่าลูกไก่ค่ายาค่าอาหารค่าดูแลเลยไม่มีเงินเหลือพวกเลี้ยงไก่ขายขี้ไก่พวกที่ทำไร่ทำอะไรนะ ซื้อขี้ไก่ไปใส่ปุ๋ยเป็นปุ๋ยเงินที่เราได้กลิ่นเนี่ยต้องทําใจนะเป็นกลิ่นเงินกลิ่นทองกลิ่นแห่งความอยู่รอดเพื่อให้เรามีไก่กิน <c oughs> ได้กลิ่นที่แรบขยะขยะงนะดมไปเรื่อยๆก็ชินอะ่ะเหมือนสับ ป, ปะเลอได้กลิ่นผีแล้วเฉยๆแต่ว่านี่เพิ่งได้กลิ่นหน้าหนาว น, นี้แหละเพราะเขาอยู่ทางเหนือ ลมหนาวโบกมาเมื่อก่อนสดใสสดชื่นนะเดี๋ยวนี้เมื่อไหร่ลมร้อนจะมาทีน้อแต่เหม็นที่ว่าเหมน็นเหม็นเนี่ยนะอากาศเหม็นๆมนๆเนี่ยพอแดดออกจัดๆอะไรก็จะค่อยอยังชั่วหลวงพ่ออยู่บ้านนอกนานๆล้วเข้าไปเทศกรุงเทพเนี่ยเพราะว่าในกรุงเทพนะ่กลิ่นเหม็นมากเลยเหม็นกว่าขี้ไก่อีก กลิ่นขี้ไก่ไม่น่าจะมีพิษมีภัยมากหรอกนะยกเว้นมีไข้หวัดไก่อะไรตามมากลิ่นกวันในกรุงเทพเนี่โหสุดยอดเลยทั้งเหม็นทั้งเป็นพิษเข้าไปแป๊บเดียวก็คัดจมูกแนละ้วเงี้ยคนกรุงเทพอย่มาหัวเราะเยาะคนบ้านนอกนะว่าได้กลิ่นขี้ไก่อะคนบ้านนอกอหัวเราะคนกรุงเทพยยได้กลิ่นรถยนต์นะเหม็นกว่ากันอีกแต่พวกเราไม่ได้กลิ่นเพราะเราชิน พวกเราก็คล้ายๆสับเป ล, เลอือกที่อยู่กับโจดังเก็บผีนั่นแหละโดมมานานก็ชิ้นคนมันเยอะขึ้นขยายตัวไปกระทบกระทั่งกันเยอะขึ้นถ้าใจเรายอมรับความเปลี่ยนแปลงไม่ได้เราจะทุกข์ถ้าเราเห็นว่าโลกนี้มนันเปลี่ยนเป็นธรรมชาติของมันอะไรมันจะสบายตลอดก็ไม่มีหรอกทุกข์ตลอดก็ไม่มีสบายตลอดก็ไม่มีในโลก นักปฏิบัติจริงๆไม่เป็นปฏิบัติกับสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมยังไงนะเราก็ภาวนาของเราได้ไม่มีข้ออ้างอะถ้าอ้างว่าเหม็นขี้ไก่ภาวนาไม่ได้ไปอยู่กรุงเทพเหม็นรถยนต์ภาวนาไม่ได้อีกแล้วไปอยู่ริมทะเลนะเหม็นขาวได้กลิ่นปลาทะเลภาวนาไม่ได้อีกแล้วไปอยู่ทางเหนือนะควันไฟเยอะเลยเหม็นควันอีกแล้วภาวนาไม่ได้อีกแล้ว เธอไม่ต้องภาวนาแล้วชาติ น, นี้นะเธอไม่มีที่ให้อยู่แล้วนั่นจะมีข้ออ้างถ้าได้กลิ่นเหม็นใจไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบดูเข้าไปเลยกลิ่นมันจางลงใจชอบรู้ว่าชอบรู้เข้าไปกลิ่นของอร่อยใจชอบรู้ว่าชอบเจอแต่ของไม่อร่อยใจไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบนั้นตามองเห็นใจยินดียินร้ายรู้ทันหูได้ยินเสียงใจยินดียินร้ายรู้ทัน จมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกเกิดความยินดียินยขึ้นให้รู้ทันทั้งหมดคือการปฏิบัติเม้นักปฏิบัติเนี่ยไม่ไม่เลือกไม่เลือกสถานที่ไม่เลือกอะไรหรอกอยู่ตรงไหนนั้นมีสติขึ้นมามีกายมีใจอยู่แล้วคือมีอุปกรณ์ที่จะเรียนรู้อยู่แล้วเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นก็ได้เรียนรู้อยู่ที่ไหนก็ได้เรียนรู้หลวงพ่อภานาตอนเป็นโยมนนภานา ทุกขนทุกแห่งนะภาวนาไปเรื่อยมีโอกาสถ้าไม่ต้องทํางานที่ต้องคิดนั่งก็ภาวนาทั้งนั้นนะขึ้นรถเมย์ก็ภาวนารอรถเมย์ก็ภาวนาทําอะไรก็ภาวนาีกินข้าวจะอาบน้ําจะขับถ่ายภาวนาทั้งนั้นคําว่าภาวนาคือเจริญสตินะภาวนาเพื่อเจริญเจริญอะไรเจริญสติเจริญปัญญายังไม่มีสติก็ทําให้มีสติรู้เนืรู้ตัวรู้กายรู้ใจ มีสติแล้วก็จเจริญปัญญาเห็นความจริงของรูปนามกายใจไปเขาเป็นไตรลักษณ์ทํำได้นะการพาวนานจะไม่ลำบากหรอกเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีควรจะได้อะไรบ้างเมื่อวานก็มีคนถามว่าผมจะรู้ได้ไงว่าผมดูความคิดหรือดูจิตถามอย่างเงี้ยคำว่าดูจิตฟังแล้วมันสับสนไม่รู้ว่ามันดูอะไรก็จิตอะไรเป็นคนดูแล้วจะไปดูอะไร ที่จริงก็พูดภาษาไทยเอาให้ง่ายๆเลยนะให้รู้ทันความรู้สึกของตัวเอง mm hmm. ถ้าพูดภาษานี้ในวันนี้นะก็รู้เรื่องหรอกแต่คนอีกสองสมเจเน r เรชันอาจจะฟังแล้วไม่แปลไม่ออกอีกแล้วภาษามันเลต้องเปลี่ยนอย่างภาษาธรรมะที่พระเราใช้ยุคนี้นะเป็นภาษาราชการที่ห้านะงบางทีเราฟังแล้วเราต้องเปลี่ยนต้องแปลฟังแล้วไม่รู้เรื่องหลวงพ่อก็เปลี่ยนภาษามาให้คดยุคนี้ฟังรู้เรื่องเท่านั้นเอง หลวเพ่อก็ตามพัฒนาการทางภาษานะพยายามเรียนรู้เหมือนกันภาษาใหม่ๆนี่เกิดขึ้นรวดเร็วตามยากมากเลยอาศัยดูจากห้องน้ำสาธารณะนะมันจะมีภาษาบางคําเราก็พอแปลได้บางคําก็แปลไม่ออกแล้วก็ฟังเด็กเขาคุยกันเวลาไปไหนมาไหนนะได้ยินเด็กเขาคุยก็พยายามฟังแต่มันเริ่มฟังยากนะสำเนียง สำเนียงของเด็กรุ่นนี้หลวงพ่อเริ่มฟังไม่ออกมันสำเนียงแม่แม่แพูดอะไรอ่ะเคยได้ยินไหมมันรู้เรื่องกันเองนะมันยังกระส่งรหัสลับเนะ่ไม่พูดเป็นคำคำแบบเราพูดหรอกมันแป้แๆๆแป้ แ, แ, แนืภาษาแพะ แต่เขาฟังรู้เรื่องภาษาเป็นเครื่องมือสมมติเกิดขึ้นมาแต่สมมติมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆอยา่างศัพท์สมัยที่หลวงพ่อเคยใช้ตอนเด็กๆมาถึงทุกวันนี้นะหายไปหมดแล้วเยอะเลยหายไปไม่รู้กี่ร้อยคำแล้วกเกิดคำใหม่ๆขึ้นมาใช้แทนอยู่ที่ไหนก็ภาวนาได้นะถ้าจะภาวนาการภาวนาไม่ใช่เรื่องยาก หลู่ดูหบอกการปฏิบัติมันไม่ใช่เรื่องยากยากสำหรับผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองรู้ทันจิตตนเองไปมีสุขก็รู้มีทุกข์ก็รู้ดีก็รู้ชั่วก็รู้รู้ไม่ใช่เพื่อจะปฏิเสธอย่างหนึ่งเพื่อจะเอาอีกอย่างหนึ่งเห็นความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่เพื่อจะเอาสุขเพื่อจะปฏิเสธทุกข์เห็นดีเห็นชั่วก็ไม่ใช่จะเอาดีปฏิเสธชั่ว แต่ภาวนาเพื่อให้เห็นว่าทุกสิ่งเกิดแล้วดับทุกสิ่งเกิดแล้วดับสุขเกิดแล้วดับทุกเกิดแล้วดับดีชั่วเกิดแล้วดับนี่เป็นวิธีเจริญปัญญานะในชีวิตประจำวันการเจริญปัญญาในชีวิตประจำวั น, นเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเราทําไม่เป็นโอกาสที่จะได้มรรคผลนิพพานในชีวิตนี้ยากนักเพราะอะไรเพราะชีวิตส่วนใหญ่เราอยู่ข้างนอกเราไม่ได้อยู่ในห้องพระ ไม่ได้อยู่ในห้องกรรมฐานเราไม่ได้อยู่ในฌานชีวิตส่วนใหญ่เราอยู่กับโลกข้างนอกนี่เองตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสใจกระทบสัมผัสใจคิดทํางานทั้งวันทั้งคืนงันเวลากระทบอารมณ์นะกระทบแล้วเกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้เกิดกุศลให้รู้เกิดอกุศลให้รู้รู้เพื่ออะไรเพื่อจะเห็นว่าทุกสิ่งเกิดแล้วดับทั้งสิ้น อย่าเข้าไปแทรกแซงรู้เฉยๆความสุขเกิดขึ้นไม่ต้องไปแทรกแซงด้วยการหาทางรักษาความสุขหายไปไม่ต <answering> ้องแทรกแซงด้วยการเที่ยวหาความสุขความทุกข์เกิดขึ้นไม่ต้องแทรกแซงด้วยการหาทางให้มันหายเร็วๆหรือว่าหาทางพอหายไปแล้วหาทางไม่ให้เกิดอีกไม่ต้องหาทางกุศละกุศลอะไรเกิดขึ้นแค่รู้เราเห็นว่าจิตเราพลิกไปพลิกมา เป็นกุศลอยู่เดี๋ยวเดียวก็เป็นอกุศลลนะพลิกไปพลิกมาตลอดเวลาอย่างเรามีความเมตตาเมตตาใครสักคนหนึ่งคําว่าเมตตาภาษาแขกฟังยากนะแต่เป็นภาษาแขกแต่อีกศัพท์หนึ่งนะเข้าใจง่ายกว่าเมตตาเนี่ยเป็นคําเดียวกับคําว่าไมตรีคําว่ามิตรคําว่าเมตไตรรู้จักเมตไตรไหมนะชื่อพระเมตไตร เรามาเติมให้เพาะเาะเป็นสีอริยะเมตไต ร, รชื่อในคำภี์ชื่อพระเมตไต ร, รไม่มีสีอริยะเมตตาไมาตรีคำเดียวกันคำว่ามิตรมีความรู้สึกเป็นมิตรกับคนอื่นสัตว์อื่นเวลาเราเป็นมิตรกับใครสักพักหนึ่งเราจะรู้สึกว่าเป็นเจ้าข้าวเจ้าของขึ้นมาคนนี้เพื่อนเราเรามันจะค่อยโตขึ้นเรื่อยๆนะ ตรงที่เป็นเจ้าคราเจ้าข อ, ของขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ความรู้สึกเป็นมิตรแต่ความรู้สึกครอบครองเกิดขึ้นงั้นเมตตาเป็นกุศลความรู้สึกครอบครองคือราคะมันจะตามมาอย่างรวดเร็วเลยเมตตาที่อยู่ดีๆก็กลายเป็นราคะไปนะหรือการุณาสงสารเขาเห็นเขาลาบากการุณาแนะนำเา้าเธอทำอย่างนี้สิจะได้ไม่ลาบากะเ้ขาไม่เชื่อ กรุณาพลิกเป็นโทพะอย่างรวดเร็วเลยอย่างบางคนนะเห็นลูกไปวิ่งอยู่ข้างถนนไม่อยากให้วิ่งมีกรุณากลัวรถทับมันเรียกมันเข้าบ้านมันไม่เข้านะกลัวรถทับมันเจ็บมันไม่เข้านะลากมันมาตีเลยท่านี้มันเจ็บโดยที่รถไม่ต้องทับหรอกเ <laughs> นี่ยกรุณามันพลิกเป็นโทพ撒 <laughs> มุทิตาปล่อยยินดีเขา เออเธอเดือนนี้เธอถูกหวยก็ดีใจกับเธอเธอจะเลี้ยงอะไรล่ะเนีเอ่อะไรไอเลี้ยงอะไรนะี่คำซักทาย <c oughs> เผื่อฟลุกก็ดีใจกับมันมันถูกหวยมันเลี้ยงเราด้วยอีกเดือนหนึ่งมันถูอีกแล้ว <c oughs> เธอจะเลี้ยงอะไรอ่ะ <c oughs> <c oughs> พอเดือนที่สามถูกอีกแล้วมึงทําไงมึงสงสัยมึงเล่นหวยล็อก อิจฉามันนะอิจฉามันแล้วมึงดีเกินหน้าเกินตาดีนิดนหน่อยหน่อยก็พอมูที่ตาได้นะดีมากไปอิจฉาอิจฉางักนะุศลนะพลิกเป็นอกุศลอุเบกขาเป็นกุศลนะใจไม้ไส้ละก ร, รมเป็นอกุศลพลิกไปพลิกมาได้นะ เห็นคนเขาลำบากช่วยได้ก็ไม่ช่วยบอกอุเบกขาไม่ใช่นั่นใจไม้ไส้ระกำนี่ภาษาโบราณสูญไปแล้วคำว่าใจไม้ไส้ระกำรู้จักระกำไหมรู้จักแต่นี่มีคําว่าไม้ด้วยรู้จักไม้ระกำไหมหายยากนะไม่ค่อยรู้จักนั่นกุศลนั่มพลิกเป็นอกุศลได้อกุศลพลิกเป็นกุศลก็ได้ กลับไปกลับมาเงั้นจิตเราเป็นกุศ ล, ลเรารู้แล้วก็เห็นว่ากุศ ล, ลก็ไม่เที่ยงจิตอาคุศ ล, ลเกิดขึ้นเราก็ารู้ก็เห็นว่าอาคุศลก็ไม่เที่ยงเนี่ยคำ ว, ว่าดูจิตดูจิตแล้วก็ดูให้ลึกซึ้งเข้าไปอีกชั้นหนึ่งเป็นการดูจิตในชั้นละเอียดขึ้นไปคือเวลาจิตเป็นสุขจิตเป็นทุกข์จิตเป็นกุศ ล, ลจิตอาคุศลเนี่ยที่แรกเรารู้สุขรู้ทุกข์รู้กุศลอคุศ ล, ล, ล, ลเห็นมันเกิดดับ ถ้าจะให้เก่งกว่านั้นเรารู้ปฏิกิริยาของจิตด้วยมีความสุขเกิดขึ้นเกิดความยินดีพอใจเกิดยินดีมีความทุกข์เกิดขึ้นเกิดยินร้ายให้รู้ทันยินดียินร้ายเข้าอีกชั้นหนึ่งที่แรกก็รู้ทันความรู้สึกต่อมาก็รู้ทันความยินดียินร้ายของจิตมันประณีตขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งตรงที่รู้ทันความยินดียินร้ายนั้นความยินดีร้ายจะดับอัตโนมัติจิตก็เข้าสู่ความเป็นกลางเพราะมีสติ สติรู้ทันความยินดีนร้ายความยินดีนร้ายดับจิตเป็นกลางเพราะสติแล้วก็มีสติเห็นสภาวะเกิดดับไปเห็นความรู้สึกทั้งหลายเกิดดับไปในใจเราสุดท้ายปัญญามันก็มากขึ้นมากขึ้นสะสมไปเรื่อยๆถึงจนหนึ่งปัญญาแก่กล้ามันจะเห็นว่าโ อ, อ้สุขมันชั่วคราวทุกก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวชั่วก็ชั่วคราวอะไรอก็ชั่วคราวหมดเลยเนี่ยจิตมันมีปัญญาแก่กล้าขึ้น มันเรียกว่ามีมันจะเข้าสู่ความเป็นกลางนะด้วยปัญญานั้นทีแรกเป็นกลางด้วยสติใช้สติรู้ทันความยินดียินร้ายแล้วก็เอาจิตที่เป็นกลางแล้วด้วยสติเนี่ยไปรู้ทันสภาวะธรรมทั้งหลายเช่นความรู้สึกทั้งหลายจะเห็นมันเกิดแล้วดับเกิดแลดับเมื่อดูไปนานนะจิตฉลาดจิตมีปัญญาขึ้นมาจิตรู้ว่าความสุขก็เป็นของชั่วคราวความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราว กุศลอกุศลก็เป็นของชั่วคราวนี่จิตฉลาดแะฉนความสุขเกิดขึ้นจิตไม่หลงยินดีเพราะรู้ว่าชั่วคราวความทุกข์เกิดขึ้นจิตก็ไม่หลงยินร้ายเพราะรู้ว่าชั่วคราวกุศลเกิดขึ้นก็ไม่หลงยินดีเพราะรู้ว่าชั่วคราวนะอกุศลเกิดขึ้นก็ไม่ยินร้ายเพราะรู้ว่าชั่วคราวตรงที่จิตมีปัญญาเห็นความจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอย่างนี้นะจิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญา ปัญญาตัวนี้เรียกว่าสังขารูปเปกขายานมานจะคําว่าสังขารคือความปรุงแต่งทั้งหลายอุปเบกขาความเป็นกลางยานคือปัญญามีปัญญาเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งหลายความสุขความทุกข์ความดีความชั่วอะไรนี่ๆอยู่ในกองสังขารนะไม่ใช่สังขารขันนะอันนี้คือสังคตธรรมความปรุงแต่งทั้งหลาย จิเข้าสู่ความเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งหลายคําว่าสังขารมีหลายนัยยะนะสังขารละขันนี่อันนึงนะสังขารธรรมสังคตตธรรมนี่อันนึงสังคตตธรรมเนี่ยคือทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเหตุให้เกิดนะตั้งอยู่แล้วหมดเหตุมันดับ น, นี่เรียกสังขารธรรมทั้งหมดเลยร่างกายก็เป็นสังขารธรรมขันห้าเนี่ยเป็นสังขารธรรมเป็นสังคตตธรรม ส่วนสังขารขันนะคือความปรุงดีปรุงชั่วเช่นโลบหลดหลงนีสังขารขันจะแคบสังฆะเนี่ยใหญ่กว้างกว่านนี้เรามีปัญญาเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งปวงทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วจิตเข้าสูกก่ความเป็นกลางเมื่อจิตเข้าสูกก่ความเป็นกลางแล้วจิตจะไม่ดิ้นรนปรุงแต่งต่อเห็นความสุขเกิดขึ้นจิตเป็นกลางก็ไม่ดิ้นรนปฏิเสธ เหนความทุกข์เกิดขึ้นจิตเป็นกลางก็ไม่ดิ้นรนหวงแหนเห็นความดีเกิดขึ้นความชั่วเกิดขึ้นนะจิตก็เป็นกลางอีกเมื่อจิตเป็นกลางจิตไม่มีการดิ้นรนต่อเมื่อจิตไม่มีการดิ้นรนต่อรู้ตัวอยู่สติสมาธิปัญญาแนบแน่นอยู่ที่จิตบารมีแก่กล้าพอจิตจะรวมลงที่จิตนะรวมลงที่จิตบางคนรวมลึกนะถึงขนาดตัดโลกธาตุนี้ดับไปเลย โลกทั้งโลกหายไปหมดเลยร่างกายนี้ก็หายไปเลยเหลือแต่จิตดวงเดียวแล้วก็เห็นกระบวนการที่จิตนะเกิดอริยมรรคขึ้นอันนี้เป็นพวกที่ถึงระดับฌานที่สี่ขึ้นไปสนะี่ห้ากเจ็ดปดจิตเข้าไปแนบแน่นลึกเลยบางคนก็ยังมีร่างกายอยู่นะมีรูปอยู่แต่จิตรวมในฌานที่หนึ่งสามอะไรพวกนี้ ในชาตที่สี่ก็ยังมีกายอยู่แต่จิตนิ่งอ่ะอุเบกขาจิตรวมลงไปที่จิตเนี่ยที่แม่ช้าพูดถึงพระนักปรุกอ่ะนะนั่งสมาธิขึ้นมาได้แล้วจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตแล้วคุณงามความดีทั้งหลายนั้นมันรวมพร้อมนะมันประชุมลงที่จิตความดีทั้งหลายทั้งปวงรวมตัวลงที่จิตที่เดียวคือลงที่จิตที่เดียวรวมลงมาพร้อมๆกันในขณะเดียว เนะ่ความดีทั้งหลายรวมตัวลงในขณะเดียวกันที่จิตดวงเดียวกเกิดเป็นพลังที่มหาศาลนะทำลายล้างกิเลส ท, ที่ซ่อนอยู่ในจิตส่วนลึกได้แต่ก่อนที่จะทาลายกิเลส ท, ที่ซ่อนในจิตส่วนลึกนะมันแวหวกไอ้เปลือกที่หุ้มหม อ, อกมันท่าเปลือกที่หุ้มจิตอยู่แตกกระจายออกไปนะลงไปล้างกิเลสข้างในพอล้างกิเลสเสร็จนะจิตเสเวยความสุข ของพันิพาลอยสองสามขนาดท่านนะไอ้เปลือกนี้กลับมาคลุมอีกละกลับมาคลุมใหม่ไอ้เปลือกนี่เหนียวมากเลยหลวงพ่อเคยถามหลวงปู่หลวงปูดุลบหลวงปู่ครับมันต้องเกิดกี่ครั้งเนี่ยมันถึงจะหมดไม่กลับมาปิดอีกหลวงปู่ก็ยกมือขึ้นมาหนึ่งสองสามสามหนึ่งสองสามโอ้4 4สี่ครั้ง ไม่ได้ถามว่าทำไมต้องสี่แต่ท่านบอกว่าสี่ก็จาไว้ว่าสี่ขอเรานะ้าชาตินี้เอาให้ได้หนึ่งครั้งนะยังต่านะ <c oughs> หนึ่งครั้งไม่ยากเกินสองครั้งก็ยังไม่ยากไปสามนี่เริ่มยากแล้วสำหรับคารวา์ที่บริโภค ก, กามคารวา์บริโภคกามไม่ใช่หมายถึงมั่วเซ็กอะไรนะคาว่ากามคุณอารมณ์เนะ คือยังเพลิดเพลินมีความสุขอยู่กับ ก, บการดูรูปการได้ยินเสียงการได้กลิ่นการได้รสการได้สัมผัสทางกายือการคิดถึงความสุขในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสนี่ว่กากรรมมาทมเป็นกรรมในใจเนี่ยขราวัตเราพัวพันอยู่ในกรรมเพราะงั้นขราวัต น, นะพ้นกรรมยากกรารมเกิดขึ้นแล้วก็สนองมันอยากกินก็ไปหาของอร่อยกิน อยากฟังเพลงเพรๆก็ไปฟังเพลงสนองมันไปเรื่อยๆเวลากรรมเกิดขึ้นมันเลยเป็นกรรมมคุณยี่ยี่คำว่ากามาคุณไหมแต่สําหรับกรรมเนี่ยถ้าเกิดกับพระนะจะเป็นกรมาโทษทันทีเลยเกิดดึกๆอยากกินหอยทอดเงี้ยกรมาโทษชัดๆเลยนะงั้นพระนะ่าจะเห็นโทษของกรรมได้ดีประยม โยมเนี่ยถ้าขยันดูนะเห็นเกิดดับถี่ยิบเลยน่าดูขว่าพระอีกพระไม่ค่อยมีอะไรกระทบที่รุนแรงโยมนี่อารมณ์กระทบแรงดูง่ายแต่พอถึงขั้นละเอียดนะชูพระไม่ได้หรอกนี่พวกเรายังไม่ต้องใจร้อนไม่ต้องรีบบวชบางคนอยากจะบวชก็อย่าเพิ่งบวชเลยบวชมาเสียศาสน า, าเปล่าเป็นโยมให้ได้ธรรมะ ก, ก่อนแล้ค่อยคิดบวชดีกว่า ปลอดภัยกว่าคืออย่างเราเป็นปุถุชนนะเรามาบวชนะเราแค่ไปบินธบานเนี่ยเราเป็นหนี้แล้วนะเราเป็นหนี้ทันทีเลยแต่ถ้าเราเป็นพระาริยบุคคลแนะเนี่ยเป็นผู้ควรรับทักษินาทานเขาให้ทานค้าได้บุญเยอะอย่างพระจะไปบินธบานนียเช้าๆถ้าวัดกรรมฐานนะท่านให้ภาวนา ก่อนจะออกไปบินธบาลต้องนั่งสมาธิเดินจงกรมกันถึงเวลาไปภาวนานะถึงยังเป็นทุกชนอยู่นะแต่จิตที่ได้ทาสมาธิได้เดินภาวนาอะไรเนียเป็นจิตที่เป็นบุญเป็นกุศลคนที่เข้ามาใส่บาตรกับคนที่จิตเป็นบุญเป็นกุศลเขาได้บุญเยอะการทำทานนะถ้าเราทำกับสัตว์เดรัจฉานก็ได้บุญนะได้บุญมากเหมือนกันถ้าทาบุญกับคนทุศีลได้บุญมากกว่าทบุญกับสัตว์ ภูมิของคนทุศีลมันสูงกว่าสัตว์ถ้าทําบุญกับคนมีศีลก็ได้บุญมากกว่าคนทุศีลมากกว่าทำที่คนทุศีน์ถ้าบุญกับพระญาบุคคลตามลําดับชั้นก็ได้บุญมากขึ้นตามลําดับชั้นทำบุญกับสงฆ์มีพผู้ที่เจ้าเป็นประธานในบุญที่สุด น, นี่นฝ่ายของเนื้อนาบุญนะฝ่ายของเราผู้ทําบุญทําด้วยจิตชนิดไหน ทำด้วยจิตที่เจือกิเลสก็ได้บุญน้อยทำด้วยจิตที่เจือกุศลก็ได้บุญมากขึ้นมากขึ้นถ้าเป็นจิตที่เจอด้วยปัญญาเป็นบุญที่ใหญ่ที่สุดบุญใดประกอบด้วยปัญญาบุญนั้นใหญ่ที่สุดนะบุญแบบไหนบุญประกอบด้วยปัญญาบุญลดละกิเลสอย่างเราจะใส่บาตรเนี่ยจะประคูณขอโน่นขอนี่แหมใส่ข้าถุงเดียวขอตั้ง20ข้อนะ เทวดาโจดไม่ทันเลยโจดไม่ทันจะขออะไรบ้างจดขอมากลืมเออเอาไว้ก่อนไว้วันนี้ลืมไปแล้วเนี่ยลบมากนะได้บุญได้บุญไม่มากแล้วฝ่ายผู้ให้ไม่ดีผู้ให้ให้ด้วยความเมตตาสงสารโถพระวงนี้น่าสงสารดูอ้วนชะนะคงขาดอาหารอะไรอย่างนี้นะขาดอาหารที่มีคุณภาพเนี่ย สงสัยคนเอาของอ้วนๆให้กินทุกวันใจเกิดเมตตาสงสารเอาผักให้ฉันอะไรอย่างเงี้ยนะใจเป็นบุญเป็นกุศลก็ได้บุญเยอะขึ้นนะถ้บุญเยอะกว่านั้นก็เห็นสู้กับความตระหนี่ของตัวเองจะให้ให้ทานใจมันเริ่มตั้งแต่สู้กิเลสต่างๆนะอย่างเนี้ยจะได้บุญแรงเริ่มตั้งแต่โหจะต้องเหนาเหน่าต้องลุกขึ้นมาใส่บาตรต้องสู้กับแรงโน้มถ่วงนะ ทวงลงไปบนเตียงแหละดูไปไหนแล้วนะต้องลุกขึ้นมาโอ้อย่างนี้ได้บุญเยอะนะเห็นใจที่ต่อสู้กันเนี่ยแล้วฝ่ายดีชนะนะมีแรงมาใส่บาตเราไม่ได้ร่ํารวยไม่ต้องไปขายบ้านขายช่องใส่บาตนะเราทําทานเนี่ยให้ตัวเองเดือดร้อนถ้าทําทานแล้วก่อนทำมีความสุขระหว่างทํามีความสุขหลังทําแล้วไม่มีความสุขทานตัวนี้ต่ําต้อยแล้ว บุญตัวนี้น้อยมากเลยนะบุญตัวนี้ถ้าก่อนทํามีความสุขทําแล้วมีความสุขนะระหว่างทําก็มีความสุขบุญใหญ่ใน3การเลยนะถ้าก่อนทำนะอูปลื้มอยากจะช่วยทําบุญโน่นนี่นะอยากจะสร้างโรงพยาบาลนะไปทำขายบ้านมาสร้างโรงพยาบาลปลื้มระหว่างที่เอาเงินไปให้เขาเขาก็ถ่ายรูปด้วยอูปลื้มใหญ่นะอนนี้กิเลสแทรกแล้วกูกูเท กลับบ้านบ้านไม่มีแล้วชาจิตเป็นอกุศลบุญอย่างนี้ไม่ดีเลยนะถ้าบุญตัวนี้ให้ผลเราไปเกิดเราจะได้เกิดเป็นมนุษย์นะแต่พีการจะเป็นมนุษย์นะแต่พีการเราะั้นถ้าทำบุญต้องให้แช่มชื่นใจในสามการก่อนทำระหว่างทำทำแล้วนึกถึงก็ชื่นใจมันจะทำเกินตัวทำแล้วไม่ชื่นใจทีหลังนะ ถ้บุญตัวนี้ให้ผลเราไปเกิดแล้วก็จะได้พิการพิการแต่เกิดไม่ใช่พิการตอนหลังเกิดนะเกิดเป็นคนพิการเห็นบ้าใบา บ, า บ, าบอดหนวกแต่พิการยังต้องฉลาดนะฉลาดการทําบุญถ้าทํำเราลดละกิเลส ด, ดีที่สุดให้สตังค์สลึงเดียวเดี๋ยวนี้มีไหมเหรียญสลึงยังมีใช่ไหมหน้าตาเป็นไงหลวงพ่อไม่รู้จัก <laughs> แหว่งเบิ้งนะหน้าตาอย่างไงไม่รู้เนะ้ ไม่ได้จับแบง์สักทีไม่มีบุญเลยอย่างพวกเรามีแบงให้จับหลวงพ่อมีแต่ใบปรนณ่ะ <c oughs> ไม่รู้แบงหน้าตายังไง <c oughs> ตั้งอกตั้งใจนะค่อยๆเรียนศาสนาพุทธเป็นศาสนาของคนมีสติปัญญาไม่ใช่ศาสนาโง่โงมไงทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุผลเป็นศาสนาของทางสายกลางไม่ทำตัวเองลาบาก ไม่ทำคนอื่นลำบากไม่ใช่หลงจมแช่ในความเพลิดเพลินสนุกสนานมีชีวิตที่เป็นทางสายกลางชีวิตที่สะอาดหมดจดฝ่องใสฝึกตัวเองนะรักษาศีลหทุกวันแบ่งเวลาไว้ปฏิบัติถ้าฟุ้งซ่านก็น้อมใจไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขถ้าสงบแล้วก็หัดแยกขันโดยการดูจิตหัดรู้ทันจิตที่เคลื่อนก่อน รู้ทันจิต ท, ที่เคลื่อนเพให้จิตตั้งมั่นทํากรรมฐานอย่างหนึ่งจิตเคลื่อนไปรู้ทานจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาพอจิตตั้งมั่นจำชำนาญแล้วก็เจริญปัญญาเจริญปัญญาเบื้องต้นเริ่มด้วยการแยกขัน น, นี่ทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติตรงกันฝายปริยัติเขาบอกว่าปัญญาตัวที่หนึ่งเลยชื่อนามรูปปริเฉทญาณแยกรูปนามได้เห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูได้ หรื อ, อย่างหลวงตามหาบัวฝ่ายปฏิบัติบอก ถ, ก, กถ้าแยกขันไม่เป็นแยกธาตุแยกขันไม่เป็นอย่ามาคุยกับเราเรื่องการเจริญปัญญานะเนีย่ยการเจริญปัญญาเริ่มตั้งแต่การแยกธาตุแยกขันบางคนนะพอจิตตั้งมั่นขึ้นมาจิตไหลไปคิดรู้ทันจิตตั้งมั่นปุ๊บพอจิตตั้งมั่นปุ๊บขันแยกเลยอันนี้สําหรับคนซึ่งเคยแยกขันมาในอดีตชาติมันแยกเองเลยมันเคยปฏิบัติมาแล้วมันไม่สูญเปล่า แต่บางคนไม่เคยเจริญปัญญามาก่อนรู้ตัวแล้วก็รู้ตัวอยู่เฉยๆตัวนี้พวกมิจฉาทิฏฐิมันหลอกอนะบอกให้รู้ตัวอยู่เฉยๆประคองจิตให้นิ่งๆว่างๆรู้ตัวเฉยๆนี่รันดอนสงบอยู่ภายในนี่รันดอนสอนอย่างนี้เลยนะพวกมิจฉาทิฏฐิพวกนี้ไม่มีคําว่าแยกธาตุแยกขันไม่มีการเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามมีแต่ทําใจให้ว่างนะพวกเราอย่าไปเดินตามนะพวกนี้ไม่ใช่ทางของพรพุทธเจ้า ทางของพระเจ้าก็ดูรูปนามดูกายเวทนาจิตธรรมแสดงไตรลักษ์ไปเรื่อยด้วยจิตที่ตั้งมั่นผิตใี้เป็นกลางดูให้มากพอแล้วอริยมรรคจะเกิดไปช่วยตัวเองหลวงพ่อบอกทางให้เต็มที่แล้วนะไม่รู้จะบอกอะไรมากกว่านี้แลบอกมากกว่านี้ก็จะเป็นเรื่องสนุกสนานเกินจําเป็นละธรรมะที่จําเป็นเพื่อการปฏิบัติก็ไม่มีไม่มากแต่ว่าต้องปฏิบัติให้มาก ดูบ่อยๆพวกเราใครถือศีลได้ดีขึ้นบ้างยก ม, ม, มยือสิมีไหมถือศีลดีขึ้นโอ้สาธุเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ขึ้นนะใครที่จิตใจอยู่กันเนื้อกับตัวได้เยอะขึ้นแล้วยกมือมีไหมใครที่แยกขันได้เนืองๆ เ, เลยเห็นใจกระใจแยกเนืองๆยกสิมีไหมก็ใกล้มาผลนิพพานเข้าไปแล้วจะแยกขันได้ดูขันทํางานไปอย่าอยากอย่าอยากนะอยากให้เร็ว อยากให้เร็วยิ่งช้าความอยากให้ละเสะียทุกให้รู้รู้รูปนามไปอย่าอยากเอาใครจะส่งกันบ้านชเชิญให้พวกอยู่วัดก่อนครับอาครับนมำสการครับหลวงพ่ อ, อช่วงพักหลังนี้จะเห็นว่าแบบสภาวะมันเบาๆหองครับเห็นแบบนิ่มๆขึ้นนิดนั่นแหละมันเห็นชํานาญนะ อ, อมันไม่ได้จงใจเห็นเห็นทุกครับเห็นทุก ใจที่เบาๆนิ่มนิมอมันภาษาแขกก็มีนะเบาๆเรียกละหูตานิ่มนิมเรียกว่ามูตูตาเรารู้สึกไหมมันไม่ทื่อๆมันปราดเปรียวมันว่องไวเรียกว่าป่าขุนตาคล่องแคล่วถ้าหนักถ้าแน่นถ้าแข็งถ้าซึมถ้าทื่อจิตากุศลเราะฉนั้นจิตของเราเข้าสู่ช่องทางที่ดีแล้วจิตที่จะใช้เจริญวิปัสสนานเป็นมหากุศลจิต ประกอบด้วยปัญญาเกิดโดยไม่จงใจเนี่ยเป็นอย่างนี้มหากุศลจิตจะมีลักษณะยังไงมีสนามเบานุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การ taraf, งานซื่อตรงในการรู้อารมณ์อะไรเกิดขึ้นก็รู้ไปได้ไม่ได้รักอารมณ์นี้เกลียดอารมณ์นี้จิตที่เป็นมหากุศลไม่มีราคาไม่มีโทสะไม่มีมหุหะมันอยากปฏิบัติเนี่ยจิตไม่ใช่มหากรุสุลจะเป็นจิตโลภหรือปฏิบัติแล้วเคร่งเครียดเนี่ยไม่ใช่จิตที่เป็นมหากุศล เป็จิตมีโทสะนจิตที่เป็นมหากุสน์เบาอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวควรแก่ ก, การงานซื่อตรงในการรู้อารมณ์ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงรู้เนื้อ ร, รู้ตัวอยู่ประกอบด้วยปัญญาคือไม่ได้รู้ตัวแล้วก็รู้ตัวอยู่เฉยๆแต่เห็นการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจได้ด้วยนี่เรียกว่าประกอบด้วยปัญญาแล้วก็เป็นการที่รู้ตัวขึ้นมาแล้วเห็นโดยที่ไม่ได้เจตนา มันอัตโนมัติขึ้นมาเรียกว่าอาสังคาริกังเกิดโดยไม่ได้ชักชวนให้เกิดไม่ต้องน้อมนําให้เกิดเกิดเองจิตที่เป็นมหากรุสนะัยญาณสัมพยุตประกอบด้วยปัญญาสังคาริกังไม่ได้น้อมนําให้เกิดเป็นจิตที่เป็นมหากศลอันดับรหนึ่งนะมีพลังที่สุดในฝ่ายกุสลกลับข้างกันนะถ้าเป็นจิตชั่วนะไม่ประกอบด้วยปัญญานะ แล้วก็ไม่ต้องชักชวนเลยชั่วอัตโนมัติอันนี้ชั่วอันดับหนึ่งกับนะข้างกันนะแต่ถ้าต้องบิ้วต้องบิ้วเนี่ยยังไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ให้ผลแรงยังเป็นจิตที่เป็นกุศลประกอบด้วยปัญญาแต่ต้องชักชวนให้เกิดต้องพยายามบิ้วให้เกิดนะต้องพยายามช่วยต้องพยายามทำอันนี้เป็นกุศลดองลงมางั้นถ้ามันเป็นกุศลอัตโนมัติเนี่ยสำคัญจะใช้เดินปัญญาได้ดีที่สุด มีจิตอยู่สองดวงนะที่ใช้เดินปัญญาวิปัสนาอย่างแท้จริงเลยเป็นมหากุสุรจิตประกอบด้วยปัญญาไม่ได้ชักชวนแต่จิตมีความสุขเป็นมหากุสุรจิตมีปัญญาไม่ได้ชักชวนจิตเป็นอุเบกขาแคมีสองดวงมีจิตที่มีโสมนัสมีความสุขกับมีอุเบกขาถ้าจิตมีความทุกตัดทิ้งเลยจิตมีความทุก เป็นจิตอกุศลแน่นอนนะแต่ถ้าจิตที่เป็นกุศลแล้วก็จะมีเวทนามีความรู้สึกในใจนี้สองชนิดเท่านั้นคือความสุขในใจเขาเรียกสมนัสเวทนาเราได้ยินว่าสุขเวทนาใช่ไหมสุขเวทนาเนี่ยใช้เรียกความสุขทางร่างกายถ้าความสุขทางใจเขาเรียกสมนัสเวทนากับอุเบกขาเวทนานะจะมีสองอย่างถ้ามีโสมนัสเวทนาทุกทางใจจิตดวงนี้เป็นอกุศลแน่นอน นะอกุศลชนิดไหนอกุศลชนิดโทสะมูลจิตจิตที่เกิดมีโทสะเป็นรากฐานนะส่วนจิตที่เป็นกุศลมีสมนัตกับอุเบกขาแต่จิตที่มีโลภะก็มีสมนัตกับอุเบกขาด้วยนะต้องระวังนะเพราะงั้นถ้าเมื่อไหร่มีความสุขขึ้นมาดวงนี้อาจจะไม่ใช่กุศลแต่เป็นจิตมีโลภะก็ได้ดังนะั้นดวงนี้เป็นอุเบกขาจะเป็นจิตที่มีโลภะก็ได้ อาจจะไม่ใช่จิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นกุศลมันมีเงื่อนไขหลายตัวใช่ไหมเบาอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานซื่อตรงในการรู้อารมณ์ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแล้วก็เดินปัญญาไม่ใช่จิตรู้ตัวเฉยๆแต่เห็นความเกิดดับไม่ได้จงใจให้เห็นเห็นเองฝึกไปเรื่อยน ะ, ะการนวดสกันค่ะหลวงพ่อก็ดูความเปลีป่ยนแปลงของจิตเรื่อยๆค่ะแต่ส่วนใหญ่จะเป็น โทรศ์มากกว่าเพราะว่าจะจงใจกดอยู่บ้างค่ะแต่ว่าก็ดูมันไปเรื่อยๆะคะ่ะ ม, มีความอยากที่จะหายก็ดูมันไปออ ด, ดูไ ป, ไปค่ะแล้วก็ใช้บริกรรมเมตตาก็จะรู้สึกว่าจิตมันมีความสุขแล้วก็เห็นความพอใจที่มันเกิดขึ้นได้ก็บริกรรมเป็ น, เ, ปนเครื่องอยู่ไปเลยก็ได้เมตตาคุณากราหังเมตตานะและใจมีความสุขรู้ใจเป็นอุเบกขาก็รู้บริกรรมไปค่ะ บริกรรมแล้วรู้ทันจิตนามสการค่ะอบางทีจิตมันยังเหมือนชอบไปภาคอยู่ค่ะเหมือนมันพอมันรู้ทันแล้วมันจะชอบไปตามไปสรุปห้ามห้ามไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องรู้ต่อไปเออรู้ไปกว่ามันจะเลิกภาคหลายปีน่ามันภาคจังเลยนภาคไม่เลิกหรอกค่ะก็เริ่มรู้ทันกิเลสทันมากขึ้นค่ะดีแล้วนะเริ่มว่านามสการครับหลวงพ่อ ก็มีโมหะเป็นช่วงๆครับหลวงพ่อถ้ามันไม่ได้หรอกรมีโมหะก็รู้โมหะหายไปก็รู้นะดีพอนะานี่เราเห็นอย่างนี้ต่อไปปัญญามันเกิดนะจะเห็นทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างเกิดแล้วดับนมาส ก, การเจ้าค่ะคือตอนนี้มีข้อสงสัยนะเจ้าค่ะว่า ม, มีกลุ่มแบบกลุ่มยิบๆิขึ้นที่ข้างหลังก็มีข้อสงสัยว่าคืออะไรอ่ะเจ้าค่ะ กลุ่มเป็นเป็นยิบยิบยิ บ, ยบขึ้นข้างหลังอะค่ะแล้วก็ครั้งแรกที่เห็นคือ น, นั่งดูทีวีอยู่ก็เขาก็เกิดขึ้นมาค่ะก็ก็ดูแต่ว่าแยกขันไปเลยนะเราไม่ต้องค้นกวาไม่ต้องแขวนป้ายชื่อนะให้เห็นว่าสภาวะอันนี้เกิดขึ้นมาแล้วเห็นแม้มันอยู่ชั่วคราวมันก็ไปเนะจ้าค่ะดูแค่นั้นพอแล้วละ่ะเพราะว่าสภาวะธรรมเนี่ยมีหลากหลายเยอะแยะไม่มีที่สิ้นสุดเลย เราไม่ต้องไปค้นคว้าใส่ชื่อมันหรอกแค่เห็นว่า something สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วอันนั้นแหละดับไปปกติก็จะขึ้นยิบยับแล้วก็วันละสามสี่ครั้งแล้วก็หายไปแต่เมื่อวานนี้ขึ้นมาแล้วร้อนขึ้นมาเป็นแบบแผงๆร้อนแล้วก็ลงมาที่ท้องด้วยค่ะใ ห, ให้รู้ทันที่จิตนะถ้าจิตเราหวั่นไหวขึ้นมาให้รู้ทันดูลงไปที่จิตเลยจอทั้งจิตเป็นกลาง จิตเป็นกลางแล้วบริกรรมเมตตาคุณังอรหังเมตตาไปเรื่อยๆรักษาจิตเอาไว้ถ้าเรารักษาจิตไม่ได้เนี่ยพลังแปลกปลอมเนี่ยมันจะสลายไปหมดนะพลังแปลกปลอมเนี่ยมันเข้ามาสู่ตัวเราได้เนี่ยเชื่อมเข้ามาทางจิตถ้าจิตของเรามีสมาธิอยู่พลังแปลกปลอมเชื่อมต่อเข้ามาที่จิตไม่ได้จะมายุ่งอะไรกับเราไม่ได้นี่จิต ท, ที่ดีนะั่นคือจิต ท, ที่สงบมีความสุขจเจริญเมตตา แล้วก็รู้ทันมันชั่งใจมันจะเคลื่อนออกไปเรารู้รู้สบายบายรักษาจิตไว้ขอบพระคุณเจ้าค่ะกลาบแมาสการ์ค่ะมาส่งกันบ้านหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อให้ไปดูตัวโกรธดูค่ะดูได้ละเอียดยิบเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> โกรธได้ละเอียดละออดีโออนั่นแหละดีเรียกว่าเราดูกรรมาฐานถูกตัวละคือ คือถ้ามีตัวตัวตนมารองรับความโกรธกิเลสทุกตัวจะรุนแรงมากเลยค่ะค่ะแล้วตัวตนถ้าปกติถ้าจิตมีกุศลอยู่แล้วธรรมดาขันมันจะแยกเองได้อยู่แล้วไม่ต้องทาอะไรถูกถูกเป๊ะเลยค่ะแล้วที่มีตัวตนเนี่ยเพราะว่ารวบเข้ามามีตัวตนแล้วเวทนาคือสุกกระทุกเนี่ย มาลองรับตัวตนอีกทีหนึ่งตัวตนจริงๆหนูว่าจริงใช่ไหมันไม่มีใช่ไหมไม่มีหรอกร <laughs> ม, มันปรุงขึ้นมาเป็นความรู้สึกเท่านั้นเป็นความรู้สึกว่ามันมันมีตัวตนเพื่อลองรับสุขและทุกข์สัญญามเข้าไปหมายเท่านั้นเองไปหมายผิดว่ามีตัวมีตนตอนนี้คือเอือเ่องอัตตาสัญญามันเข้าไปหมายค่จริงๆไม่มี ใจหายนะคะเนี่ยห่วงอยู่ใช่ไหม่หตัวเราไม่มีมันมันปล่อยวางไม่ได้หรอกคะ่ะคือเรื่องทั้งโลกยังวางไม่ค่อยจะได้อพอมารู้ว่าตัวตนไม่มีมันจะวางนี่มันแบบดูล่อยๆตอนนี้เราเสียดายมันแต่พอเราหัดดูไปเรื่อยๆเราจะพบว่าทุกคราวที่ตัวตนเกิดนี่ความทุกข์ก็เกิดใช่คะ่ะดงนั้นมันหายไปนี่เป็นเรื่องน่า ย, ยินดีนะจะไม่เสียดาย แล้วความถ้ามีความทุกข์ในใจแม้แต่เพียงนิดเดียวจะเห็นเลยว่ามันจะมีกิเลสอยู่สองตัวคือโมหะกับโทสะถูกมันเสียดแทงขึ้นมาในใจใช่โทสะเนี่ยไม่เกิดเดียเด่ยวๆต้องมีโมหะเกิดร่วมด้วยเสมอราคะก็เหมือนกันน ะ, ะต้องเกิดร่วมกับโมหะเสมอแต่โมหะเนี่ยเป็นยอดกิเลสเลยเกิดเดียเด่ยวๆก็ได้เกิดร่วมกับราคะก็ได้เกิดร่วมกับโทสาก็ได้ แต่ราคากระโทสารเนี่ยไม่เกิดร่วมกันค่ะคือตอนนี้หนูรู้สึกแบบเหมือนภาวนาไม่ไม่ไหวค่ะมันมันง่วงมันซึมมันจะหลับท่าเดียวอะค่ะไม่เป็นไรจะง่วงจะซึมจะหลับท่าเดียวก็ภาวนาไปมันต้องผ่านช่วงนี้ไปนะคือคจิตซึ่งมันเกิดนิพพิธาเนี่ยมันไม่รู้จะหลบไปไหนมันจะใช้วิธีหลบเหมือนกับหลับในเข้าไปมันหนีการรู้สภาวะ มันหลบเข้าไปซ่อนอยู่ขละมั น, นเนี่ยเพราะมันไม่อยากรู้ความจริงแล้วมันเห็นแ่้มันหาสาระไม่ได้มันเบื่อมันก็เลยหลบก็ดูไปจะหลับหรือจะซึมจะอะไรก็นะก็ดูไม่เลิกเลยนะถึงช่วงนึ่งมันก็ผ่านไปเองค่ะนมันสการหลวงพ่อค่ะก็คือนี่เป็นการส่งการบ้านครั้งแรกนะคะได้ฟังซีดีที่ได้มาจากน้องสาวเนี่ยประมาณปีกว่าๆช่วงแรกเนี่ยก็ ก็รู้สึกว่าความทุกข์มันสั้นลงนะคะแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งก็คือจับอารมณ์โกโรธได้นะคะ<ม>แต่มันจะเป็นโกโรธแรงๆแล้วเราก็ดูว่าเอ๊ะฉันโกรธหรอเออทำไมฉันโกรธนานจังแล้วมันค่อยๆหายไปนะคะหลังจากนั้นก็จับมาได้อีกประมาณสองสาครั้งแต่สังเกตว่าส่วนใหญ่มันก็จะจับอารมณ์แบบโกรธเสียใจอ ย, อย่างนี้ค่ะแต่ว่า อนอกนั้นก็จะเป็นเรื่องฟุง้งซ่านคิดนู่นคิดนี่แต่อารมณ์แบบดีใจมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะจับไม่ค่อยได้อ่ะค่ะมันมีลำดับของมันนะอารมณ์อ่ะอารมณ์ที่จับง่ายที่สุดเนี่ยคือตระกูลที่เป็นทุกข์เป็นโทสะดูง่ายพวกกิเลสทั้งหลายเนี่ยโทสะดูง่ายที่สุดราคะเนี่ยยากขึ้นมาอย่างความพอใจอะไรเงี้ยดูยากขึ้นมาโมหะความหลงเนี่ยยากที่สุด แต่และแต่และตัวก็ยังมีดีกรีของมันมีความเข้มข้นไม่เท่ากันอย่างโทสะเนี่ยโกรธนี่เข้มข้นมากนะอาฆาตพยาบาทนี่เข้มข้นมากขัดใจเล็กๆน้อยๆนีน่เข้มข้นน้อยนะมันก็ยังมีดีกรีของมันอีกหรือหลงหลงฟุ้งซ่านนี่เป็นหลงแรงนะแล้วอวิชาก็เป็นโมหะนะเบามากเลยดูแทบไม่ออกว่าเป็นอกุศลเลย งั้นกุศลน่มันมีความเข้มความหยาบความละเอียดแตกต่างกันตัวที่ดูง่ายที่สุดเป็นตระกูลโทสะเพราะงั้นเราเห็นตัวนี้ก่อนนั้นเป็นเรื่องปกติถัดไปพอชำนาญเห็นชนานาญขึน้นจะเห็นโลภะค่อยฝึกไปเดี๋ยวมันจะเห็นได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นละเอียดขึ้นค่ะ ข, ขอบพระคุณค่ะนมาสการหลวงพอ่อหว่ามา หนูมีสภาวะหนึ่งอยากจะถามหลวงพ่อค่ะคือไม่เคยเห็นแบบนี้มีวันหนึ่งคือสวนมนต์นั่งสมาธิแล้วมันมีจิตมันมันเหมือนมันสว่างมากแล้วมันก็คือมันก็ง่วงด้วยตอนนั้นแหละค่ะแล้วมันก็เหมือนมันแหวกความง่วงออกไปออกไปอยู่ข้างนอกแล้วมันมันสว่างแล้วสะพังมันก็เหมือนได้ยินเสียงว่ามันจะย้อนกลับมาดูว่าตัวเองอ่ะ เหลือกิเลสอะไรบ้างอแล้วมันก็วิ่งกลับมาแล้วมันก็มาชนกับจิตอีกดวงหนึ่ง<อ>ซึ่งเหลือว่าตัวฉันยังอยู่เอดูเป็นนะแล้ว <laughs> แต่มันก็ยังสว่างอย่างนั้ น, นะคะ่ะสว่างนะบางทีจิตที่สว่างนี่มีหลายแบบนะมีสมาธิจิตก็สว่างนะมีปัญญาเนี่สว่างยิ่งกว่าสมาธิอีกนะถ้าเกิดอรอยิยมรรคเนี่ยสว่างมากเลย คือมันสว่างแบบไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนดีแล้วล่ะเ <c oughs> คยได้ยินแม่สงบสะอาดสว่างนะแต่ว่าตัวนี้ยังเป็นโลนะคิยะนะเพราะว่าตัวตนยังเหลืออยู่ค่ะคือมันกลัมชนแล้วก็มันมีจิตอีกตัวหนึ่งว่าตัวฉันยังอยู่เยเออน่าดีใจไหมก็ดีกว่าตัวฉันหายไป <c oughs> แล้วหลังจากนั้นมันก็ยังสว่างอยู่อะไรอย่งนี้ยค่ะสว่างก็ส่วนสว่างนะแต่ว่าอย่าไปทรงจิตไว้ในความสว่างนั้น <น>ะไม่ได้ไม่ได้ไไดส่งคือมันมันไม่เคยเห็นว่าจิตมันแหวกออกไปได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องมันแหวกก็แหวกเองอยากให้แหวกไม่แหวกเลยนะระวังอันหนึ่งว่าจิตต้องถึงฐานจริงๆนะอย่าให้มันสว่างแล้วว่างกระจายโล่งๆออกข้างนอกไปถ้ามันไปโล่งว่างอยู่ข้างนอกย้อนกลับเข้ามาในร่างกายนีย่กลับมาดูกายมาอะไรเงี้ยใจมันจะได้เข้าบ้านค่นะแล้วก็เป็นคนฟุ้งซ่านมากค่ะนะ คิดตลอดลยอะไรเงี้ยใครเขาคิดทั้งวันอนะ่ะเหมือนกันแหละทุกคนคิดตลอดนะเลนะแต่ถ้าคิดแล้วอินกับมันจริงจังกับมันนี่พวกเอาจริงเอาจังกับการคิด <c oughs> คิดแล้วเห็นจบไปจบไปช่างมันคิดแล้วรู้สึกเอาข อ, ขอถวายการปฏิบัติเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและสั่งกรรมบูชาแล้วให้หลวงพ่อด้วยค่ะเออสาธุนะกราบนมัสการเจ้าค่ะหลวงพอ่อ โยมเพิ่งมาครั้งแรกเจ้าค่ะอ่าเพิ่งฟังหลวงพ่อจาก YouTube เจ้าค่ะประมาณ2เดือนครั้งแรกที่ฟังหลวงพ่อเจ้าค่ะคือโยมเนี่ยเวลานั่งสมาธิจะติดเวทนาจัดนะคะพอเวทนาแบบปวดขาเนี่ยโยมจะถอยอเจ้าค่ะแล้ว ก, ก็ก็ถอนสมาธิแล้ววันนั้นโยมฟังหลวงพ่อครั้งแรกเลย โยมก็มันมันเห็นความเจ็บปวดมันเห็นหมดเลยมันเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันไม่ได้เหมือนครั้งก่อนๆที่มันต้องถอนออกมาแล้วก็ขยับตัวอะไรอย่างนี้ค่ะมันเห็นปวดก็ปวดไปเห็นเห็นจิตมันกำลังเคลื่อนเข้าข้างในโยมขันขันมันแยกแล้วเห็นขันแต่ละขันทํางานนั่นแหละมันแยกได้แล้วมันเห็นปวดก็อยู่ส่วนหนึ่งนะกายก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตก็อยู่ส่วนหนึ่งต่างคนต่างทํางาน แล้วไม่นานเนี้ยเจ้าค่ะโยมฟังหลวงพ่อแล้วโยมก็นั่งสมาธิตามอืแล้วหลวงพ่อบอกว่าอ่าหัวล้อะรู้ไหมว่าหัวล้อจิตข้างในโยมมันหัวล้อะเจ้าค่ะแล้มันรู้สึกอึดอัดอตอนนั้นนั่งสมาธิอยู่มันก็หัวล้อเองข้างในแล้วก็รู้สึกโอ้ยอึดอัดจังอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะดีดูไปยังไม่ใช่จิตยิ้มนะจิตยิ้มไม่อึดอัดนะคะโยมโยมจะเด่นในเรื่องของโทสะเจ้าค่ะขี้โมโหแล้วก็แบบ ชิมโหมีบุญนะควาเป็นกิเลสที่ดูง่ายช่วงหลังมาเริ่มเห็นนะคะเริ่มเห็นว่าเออเริ่มโมโหบางทีพูดไปสักสองสามคำแล้วก็จะเริ่มรู้ตัวว่ากำลังโมโหนะอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะใช้ได้แล้วบางคนพูดไปทั้งหลายคำยังไม่รู้เลยตอบไปแล้วยังไม่รู้เลยโมโหหาว่าตบด้วยเมตตาสั่งสอนบางทีโมโหสาธุเจ้าค่ะนามสกานครับหลวงพ่อเออว่าไง ผมเอาการปฏิบัติอาจจะมมหน่อยมาถวายครับเออเอาเอามก็เอาขอให้ปฏิบัติเถอะผมปฏิบัติทุกคืนครับเางนจงกรมทุกกลางคืนแล้วก็ก่อนนอนก็จะเลื่อเลกถึงหลวงพ่อทุกคืนโอ้ดีสาธุแล้ววันนี้มาขอกลางบ้านเพิ่มอะครับเราถ้าใจเรามีโมหะแทรกเราก็รู้นะเวลาโมหะแท่มัจะเบลเบลโมวัวไปอย่างเงี้ยถ้ามันเบลเบลมัวมากนักดูแล้วไม่ขาดนะ แล้วก็หายใจเข้ารู้สึกตัวให้ใจออกรู้สึกตัวอนะไเนี่ยอารมหายใจม า, ามารู้ร่างกายที่หายใจหายใจไปรู้สึกตัวเห็นร่างกายหายใจเข้าเห็นร่างกายหายใจออกนะจะช่วยสู้กับโมหะได้นะครับผมผมเคยเจ็บหัวใจแล้วผมก็ทําตามที่หลวงพ่อสอนนะครับว่าเมตตาคุณนางอรหังเมตาเออตาแล้วมันก็จะหายเจ็บแต่ปกติโดยชีวิตประจําวันจะภาวนาพุโทโธแต่มันไม่หายเจ็บ ผมก็เลยภาวนาอีกบริกรรมหนึ่งแต่ตรงนั้นมันจะหายไปเลยอ่ะเออได้อะไรก็ได้ที่จริงมันก็คําเดียวกันนะคําว่าอรหังอนะ่ะก็คําเดียวกับคําว่าพุทธโธนั่นแหละเป็นชื่อพระพุทธเจ้าเป็นคุณของพระพุทธเจ้านะอิตปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทธโธใช่หไหมวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกกวิทูอนุตรโรภุริสธรรมสารติ สัทธาเทวมนุษย์สานังพุโทโธพระวาติเป็นคุณสมบัติเป็นคุณของพุทธเจ้างั้นเมตตาคุณังเนี่ยคุณของพุทธเจ้านะน้ำมาสการครับขอบคุณครับหลวงพ่อที่ถ่ายทอดธรรมมาให้รู้สึกว่าชอบติดลมชอบไปติดในหัวครับเพราะว่าตอนบทเนนเคยฝึกแล้วก็ลมไปติด แล้วทําไมมีปัญหาเลยล่ะมันติดแล้วมันเบอร์ครับแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากทํามันจะอะไรนะมันเบอร์ครับมันเบอครับเบอก็ช่างมันไปอะไเละถ้าใจไม่ชอบให้รู้ว่าใจไม่ชอบหลวงพ่อก็เคยเป็นพาวนาบวชพรรษาแรกๆนะใจเรานั้นสว่างเด่นดวงยิ่งผ่านสองพรรษาไปนั้นสว่างเต็มที่เลยนานๆไปมันเบอรได้หน่อยๆนะ ใจไม่ชอบอ่ะหาทางแก้แก้ได้ก็สว่างสวัยไปอีกช่วงเดี๋ยวก็เบลอเบลออีกอ่ะนี่ความเป็นอย่างนี้หลวงพอ่อวันหนึ่งมันปิงขึ้นมานะว่าจิตจะเบลอหรือจิตจะสว่างนะเราสั่งไม่ได้ะะนะอาชัยกับบ้าน